การทวัดชาติดเดย็นเป็นการฝึกนะฝึกการใช้ลมหายใจเอาไปน่นเป็นฝึกใช้ลมหายใจฝึกการทําสมาธิในการสวดเราจะสวดให้มันเสร็จเส็จเอาไปอีกเอาไปยิ่งอีกเอาไปสุดสายเอาสวดให้มันเส็จเสร็จนี่ก็เหนื่อยนะสวดให้ในช่วงที่สวดเนี่ยเราจะต้องยืดตามลมหายใจจังหวะการสวดนะ ถ้าหากวเราสวดไม่เป็นแล้วก็สวดให้มันเสียเสดแลก็เหนื่อยถ้าสวดเป็นก็จะได้สติได้สมาธิรู้จังหวะให้สวดรู้จังหวะลมหายใจก็จะทําให้เราได้คุณภาพจะได้าสวดไม่เป็นแล้วก็เสียคุณภาพขึ้นเหนื่อยนัะฉะนั้นในวิธีพูดเนี่ยทำอะไรก็ตามจะมุ่งได้คุณภาพก็คือได้ทั้งสติสมาธิปัญญาไม่ได้การพูดเท่านั้นเงนะ การพูดไปแล้วเหนื่อยนี่ก็ถือว่าขาดสติพูดไปแล้วได้สติได้สมาธิาได้ปัญญาไปเลยถือว่าเป็นการรายงานนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกในการใช้สติสมาธิปัญญาไม่ได้จะพูดเอาให้ใ ห, ใ, หให้แล้วตามอยากไย่ใช่พูดเพื่อให้ฝึกนั่นแหละฉะนั้นในวิธีพูดเนะี่ยทุกอย่างเป็นการฝึกหมดนะไม่ใช่เป็นการสําเร็จความอยากแต่เป็นการทําให้คุณภาพชีวิต การแสดงออกทางกายทางวาจารประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเสมอนั่นเรียกเป็นการาฝึกทำด้วยวิธีพุทธนะแต่ที่นี้ใครจะฝึกได้มากได้น้อยนี่นนขึ้นอยู่กับการการสังเกตปฏิภาณไหวพริบของแต่ละคนนะเพราะนั้นธรรมะในการฝึกธรรมะนี่เต็มไปด้วยการฝึกฝนตนเองทุกขั้นตอนเลยนะไม่ใช่ว่า เราทําให้มันเสร็จเสร็จแตบบ่ทั้งโลกทําทุกอย่างการเดินก็เป็นการฝึกการนั่งก็เป็นการฝึกการกินก็เป็นการฝึกการทํางานทุกอย่างเป็นการฝึกนั้นเองก็จึงอยากจะให้เราได้ใช้วิธีกรรมให้เป็นไม่ใช่ทาให้มันเสร็จเสร็จแต่ทําให้มันมีจงังหวะจากโกนเต็มไปด้วยสติสมาธิปัญญาคุณภาพของการกระทําเราก็จะได้ไประโยชน์นะไม่งั้นเราก็จะเสียเวลาและเหนื่อยเปล่านะ ด้า น, นเดงเราก็พยายามเข้าใจนะในพิธีกรรมศาสนาพิธีของของพุธทธะคือเตรืยมไปด้วยการฝึกสติสมธิปัญญาพรานั้นในเมื่อวานเราก็มีการเป็นธรรมเนียมของเราหลังจากฝึกฝนเสร็จคือการรายงานนะันคือการสอบนั่นเองการสอบให้เราได้ฝึกว่าสติสมริปัญญาที่เราเรียบเรียงมาเนี่ยทาให้เรา ได้เรียบเรียงความคิดเรียบเรียงคําพูดเรียบเรียงอารมณ์ได้ดีแค่ไหนการฝึกไปบ่อยๆเข้าในที่สุดก็จะเป็นแบบอย่างในการทํางานเผยแพร่ศาสนาเปในตัวก็เต็มไปด้วยอัทธพยันชนะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยอัทธพืยันชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเวลาเราเสวธรรมวัเช้าอ่ะ อัถาคือประโยชน์ที่แสดงออกพยัญชนะคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยรูปแบบดีงามเหมาะเจาะนะก็เรียกว่าเป็นพยัญชนะสาระที่เราได้ทางสติปัญญาเป็นอัถาสาระที่ทชัดยุงเกิดขึ้นโดยศรัทธาหรือว่าพยัญชนะเข้าใจในจุดนัน้นนั้นก็คือเป็นหลักของการช่วยกันเผยแพร่พุทธศาสนาเป็ในตัวการฝึกฝนในการเผยแพร่พุทธศาสนาเป็นในตัว อย่างต่อไปในแวนโคเวอร์เนี่ยสมมุติว่าโยมออดโยมติฝึกได้ดีก็สามารถที่จะชักโยงเพื่อนมาเข้าสู่พุทธศาสนาที่ถูกต้องได้มากขึ้นแทนที่เราจะสําเร็จประโยชน์ของตัวคนเดียวเราก็ได้ประโยชน์กับเพื่อนการเผยแพรพ่พุทธศาสนาเป็นบุญกุศลมหาศาลในชีวิตนี้ถือว่าเป็นเกียรติของชีวิตของเราที่ได้ทํางานชิ้นนี้อย่างถูกต้องเราก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยความสาสว่างสงบ กาทําให้ผู้อื่นได้รับผลประโยชน์คือความสะอาดสว่างสงบนั่นคือการรูปแบบของการเผยแพร่พุทธศาสนานะในช่วงเช้านี้ก็โยมเมื่อวานโยมรายงานไว้ทุกคนอ่ะก็เหลือโยมสมพรท่านจะโยมสมพรแล้วก็จะได้มนุษย์อาจารย์ท่านได้กล่าวสรุปลบปิดงานในครั้งนี้นะก็ช่วงเช้านี้ขอเชิญโยมสมพรได้ข้อคิดประสบ ก, การณ์อะไรที่จะฝากเอาไว้กับ คนที่อยู่ทางนี้ก็จะนำไปศึกษาต่อไปก็เชิญคน